พระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อหถึงสิความว่าเปาโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเยสุคริสต์ <c oughs> เรียนบรรดาธรรมมิกชนในพระเยซุคริสต์ซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีทั้งบรรดาผู้ดูแลและมักคนายกขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านเถิด ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งและทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดีเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกันตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วจะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์การที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นเนื่องด้วยท่านทั้งหลายก็สมควรแล้ว เพราะว่าข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคนท่านทั้งหลายได้รับส่วนในพระคุณด้วยกันกับข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้าถูกจำจองและในการกล่าวแก้และหนุนให้ข่าวประเสริฐนั้นตั้งมั่นคงอยู่เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นประธานทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านทั้งหลายเพียงไรตามพระทัยเมตตาของพระเยซูคริสต์และข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งยิ่งขึ้น พร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดและเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์และไม่เป็นที่ติได้ในวันแห่งพระคริสต์จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและความสันเสริญแด่พระเจ้าพรจนะของพระเจ้าจะมาถึงเราผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าเช้ า, ชาวันนี้ อาจารย์ประยูนยลิมะหุตะเสรรนีในหัวข้อจดหมายรักจากคุกเขาเรียนเชิญครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันเช่นนี้และการรวมตัวของพวกเราในเวลาอย่างนี้มีประเทศมากมายที่ ประชากรส่วนหนึ่งอยากจะมีโอกาสรับใช้พระเจ้ามีโอกาสนมัส ก, การพระเจ้าแสดงตัวเป็นครื่เสียนอย่างเสรีแต่ก็ไม่มีโอกาสแต่เราทั้งหลายที่อยู่ในเมืองไทยเราได้มีโอกาสอย่างเสรีภาพดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราได้ใช้เวลาที่พระเจ้าประทานให้เราและเสรีภาพที่พระเจ้าประทานให้เราอย่างคุ้มค่า สมกับที่พระองค์ทรงประทานให้เราทั้งหลายยืนในประเทศที่มีเสรีภาพเช่นนี้ในเช้าวันนี้พระธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้ให้บทเรียนกับเราเกี่ยวกับเรื่องความรักและบทเรียนที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือเป็นความรักที่ทรงออกมาจาก นักโทษคนหนึ่งที่ชื่อว่าเปาโลและอาจารย์เปาโลนอกจากท่านจะเป็นที่รักของคนเมื่อเทียบกับในเวลานั้นนะครับคนที่อยู่นอกคุกกับตัวท่านเองและคนที่อยู่ในคุกร่วมกับท่านท่านก็ส่งความรักของท่านและท่านก็รักคนที่อยู่ข้างนอกด้วยเช่นเดียวกันเนื้อหาจากพระธรรม ฟิลิปปีบทที่1ข้อถึงข้อ 11, เราจะพบว่าในข้อที่หนึ่งผู้เขียนเนี่ยก็คืออาจารย์เปโลและพระคัมภีร์บอกให้เราเห็นชัดว่าขณะที่อาจารย์เปโลเขียนจดหมายฉบับนี้อาจารย์เปโลได้รวมอีกบุคคลหนึ่งเข้าไปด้วยก็คือทิโมธีข้อหนึ่งของบทที่1บอกว่าเปโลและทิโมธี ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์แต่ผู้รับเกี่ยวข้องกับจดหมายฉบับนี้อาจารย์ป โ, โลได้โยงไปที่บุคคลต่อไปนี้บรรดาธรรมิกชนในพระเยซูคริสต์นั่นคงหมายถึงสมาชิกธรรมดาคริสเตียนตัวตัวไปซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีทั้งบรรดาผู้ดูแลน่าจะหมายถึงออ ผู้นำนะครับระดับหนึ่งของครือจักรจะเป็นศิษจ์พิบาลผู้ปกครองน่าจะรวมอยู่ในนี้และมรคนายกสรุปความว่าจดหมายฉบับนี้เขียนไปให้กับทุกคนที่อยู่ในครือจักรเมื่อเป็นเช่นนี้จดหมายฉบับนี้ในเช้าวันนี้มาถึงเราทั้งหลายเป็นพระคําของพระเจ้าที่จะตรัสกับเรา และขอพระเจ้าทรโปวดให้เราทั้งหลายได้เปิดใจออกที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ในฐานะที่เป็นคริสเตียนไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นในชีวิตของการเป็นคริสเตียนเท่ากับที่ได้เห็นการเคลื่อนไหวของพระเจ้าและได้ยินเสียงตรัสจากพระเจ้าและวันนี้ด้วยใจอธิษฐาน ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ขอพระองค์ทรงโปรดทํากิจทั้งสองอย่างนี้ทํากาลพวกเราทั้งหลายผ่านพระธรรมของพระเจ้าตรงนี้ในพระคัมภีร์ตรงนี้ที่เราเห็นในข้อที่สองพระคัมภีร์เป็นคําอวยพรของอาจารย์เปโลและเป็นคําอวยพรที่เวลานี้คนทั้งโลกแสวงหาเหนือความว่าขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเรา และจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านเถิดขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายได้มั่นใจเมื่อเราเข้ามาเป็นคริสเตียนสิ่งที่โลกแสวงหาเวลานี้คือสันติสุขที่เกิดขึ้นจากพระเจ้าในชีวิตของเราที่จะทำให้เราดำเนินอยู่ในสังคมโลกนี้ที่วุ่นวายมากยังมีสันติสุขที่แท้จริง ไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวอยู่ในสถาบันหรืออยู่ในองค์กรใดๆก็ตามส่วนตั้งแต่ข้อสจนกระทั่งถึงข้อที่6กพระเจ้าขออนุญาตที่จะตั้งชื่อตรงนี้ว่าอาจารย์โปโลได้ส่งความรักและคิดถึงมาให้กับพี่น้องคริสเตียนรักและคิดถึงเนื้อความของพระกัะพีบอกว่า ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งเขาสี่และทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดีเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกกับเราข้อความหนึ่งซึ่งเราจะต้องนํามาใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกับความรู้สึกของอาจารย์โปโลอาจารย์โปโลบอกว่าเมื่อไร ที่คิดถึงข้าพเจ้าคิดถึงท่านเมื่อไรข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายโดยทั่วๆไปเวลาเราขอบคุณใครเราจะรู้สึกดีกับคนคนนั้นเมื่อใครทำอะไรให้ผมผมขอบคุณเขาผมรู้สึกดีกับเขาแต่ในเนืน้อหาของอาจารย์ปรโรตอนนี้ก็คือ เมื่ออาจารย์เปโอลคิดถึงพี่น้องคริสเตียนที่เมืองฟิลิปปีอาจารย์เปโอลรู้สึกดีมากกับพระเจ้าข้าพระเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งมาถึงตรงนี้ก็เกิดคําถามให้กับตัวเองว่าเอถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็เป็นคริสเตียนคนหนึ่งก็มีคนรู้จักผมพอสมควรและถ้าคนเหล่านั้น คิดถึงผมเขาจะรู้สึกยังไงกับพระเจ้าแล้วก็คือวันนี้ก็ขอให้คำถามนี้มาถึงเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ว่าถ้ามีคนคิดถึงเราทั้งส่วนตัวและทักพวกเราทั้งหลายที่เป็นส่วนรวมคิดถึงคิดจัดวัฒนาเขาจะรู้สึกยังไงกับพระเจ้ารู้สึกสงสารพระเจ้าไหมโอ้เมื่อค้าพระเจ้าคิดถึงประยุท์เมื่อไรรู้สึกเป็นห่วงพระเจ้าไหม ในฐานะที่บริบทนี้เป็นเรื่องของคริสจักที่เมืองฟิลิปปีเขาคิดถึงพี่น้องคิดเตียนที่คิดจักในเมืองฟิลิปปีแล้วเขารู้สึกดีกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนให้เป็นเสียงเตือนจากพระเจ้าว่าถ้ามีคนคิดถึงคิดจักวัฒนาเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนรวมกันเป็นคริสจักวัฒนาเขาจะรู้สึกดีกับพระเจ้าไหม ขอให้เขาเป็นอย่างที่อาจารย์เปโอลเป็นข้าพเจ้าคิดถึงท่านเมื่อไรข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณพระเจ้าเมื่อ น, นั้นขออย่าให้ใครก็ตามที่คิดถึงคิดจากวัฒนาแล้วเขารู้สึกสงสารพระเจ้าโอ้พระเจ้าคิดจากนี้พระองค์จะขหนักหน่อยนะหรืออย่างไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องตอบและต้องตอบในฐานะที่เป็น คิกจักไม่แค่ตอบตัวใครตัวมันรักและคิดถึงขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะมีชีวิตที่เป็นพรให้กับคนอื่นในการที่จะทําให้เขาคิดถึงคิดจักของเราแล้วเขาขอบคุณพระเจ้ารู้สึกดีกับพระเจ้าในพระคัมภีร์แบบอย่างของพระธรรมฟิลิปปีมีปรากฏอย่างนี้เหตุที่เขาคิดถึง คิดจากเมืองฟลิ ป, ปีแล้วเขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าขออนุญาตชี้แจงมาจากความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์เปโลและสิ่งที่พีพ่น้องคริเสเตียนในเมืองฟิลิ ป, ปีคิดจากเมืองฟิลิปีกระทํากับอาจารย์เปโลให้เราดูกันจากร า, ายละเอียดคร่าวๆนะครับในพระธรรมกิจการบทที่16จากพระธรรมกิจการบทที่16ถ้าเรา มีเวลาไปศึกษานะครับไปอ่านก็น่าจะรู้เรื่องเลยนะครับชัดเจนพอตั้งแต่ข้อที่6จนกระทั่งถึงข้อที่34มระมี่ัิชีเห็นสรุปคร่าวๆว่าจากกิจการบทที่1ิบข้อ6จนถึงข้อสิอาจารย์โปโลได้รับนิมิต จ, จากพระเจ้าให้ไปที่มาซิโดเนียในขณะที่อาจารย์โปโลกำลังเดินทางประกาศ โดยแผนการไม่ได้มีมาซิโดเนียอยู่ในความคิดในเวลานั้นแต่เมื่อพระเจ้าสำแดงนิมิตอาจารย์โปโลไปในข้อที่11ของกิจาการบทที่16จนข้อที่11จนถึงข้อที่15าพระกมพีได้บันทึกว่ามีนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งกลับใจใหม่ชื่อนางลีเดียถ้าเราดูข้อที่14มีเนื้อความว่ามีหญิงคนหนึ่ง ในพวกที่ฟังเราชื่อลิเดียมาจากเมืองทิยาทิราเป็นคนขายผ้าสีม่วงเป็นคนนับเป็นคนที่ถือพระเจ้าหญิงนั้นได้ฟังเราและพระเจ้าได้ทรงเปิดใจของเขาให้สนใจในถ้อยคำซึ่งเปาโลได้กล่าวข้อที่ิ้าบอกว่าเมื่อหญิงคนนั้นกับทั้งครอบครัวของเขาได้รับบัพติศมาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่า ถ้าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตซื่อต่อพระเจ้าเชิญก็มาพักอาศัยในตึกของข้าพเจ้าเถิดทัสมาชิกคิดจากเมืองฟิลิปปีนี่คือน่าจะเป็นคนแรกครอบครัวแรกมีพฤติกรรมอย่างนี้กับอาจารย์โปโลแน่นอนครับเมื่อคิดถึงท่านเมื่อไหร่ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าเมื่อนั้นในกที่สิบจนถึงกที่สิปรากฏว่ามีหญิงคนหนึ่งเป็นทาสสาวนะครับถูก ผีเข้าได้รับการปลดปล่อยในข้อที่16 พ, พูดอย่างนี้เมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานมีท้าสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าได้มาพบกับเราและทำการทายให้หนายของเขาได้เงินเป็นอันมากสรุปว่าในที่สุดหญิงคนนี้ก็มาเป็นสมาชิกของคิ้จักเมืองฟิลปิปปีหนึ่งครอบครัวที่เป็นนักธุรกิจ หนึ่งคนที่เป็นท่าสาวถ้าพูดถึงความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคมทั้งสองคนนี้แตกต่างกันอย่างมากจากข้อที่19จนถึงข้อที่34เพระคำพีได้บันทึกว่าครอบครัวของนายคุกเป็นข้าราชการกลับใจใหม่ทั้งครอบครัวนี่คือสมาชิกรุ่นแรกและเมื่อคิดถึงพี่น้องเหล่านี้ รู้สึกขอบคุณพระเจ้ารู้สึกดีกับพระเจ้าถ้าเรามาดูพระธรรมฟิลิปปีกลับมาดูบทที่หนึ่งข้อที่ห้านอกจากคนเหล่านี้แล้วข้อที่ห้าบอกว่าเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกันตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้โอ้โหคนเหล่านี้มีส่วนในการรับใช้ของอาจารย์เปโลพี่น้องทั้งหลาย ขออนุญาตที่แจงให้เห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าวันนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เกี่ยวกับคริปจักรนั้นมีช่องว่างอยู่นิดหนึ่งที่ทำให้บรรดาผู้รับใช้พระเจ้ารู้สึกลำบากใจในการที่จะรับใช้พระเจ้าเมื่อต้องมาทำงานในฐานะที่เป็นคนของคริปจักรอาจารย์ปโรี่นี ไม่ได้เป็นศิษย์พิบาลที่ขึ้จักเมืองฟิลิปปีแต่ก็เหมือนกับเป็นศิษย์พิบาลที่ขึ้จักเมืองฟิลิปปีและพระคัมภพี้บันทึกว่าอาจารย์โปรโรได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องคริสตจักเมืองฟิลิปปีข้อห้าเขามองตามผมนะครับบอกว่าตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งบัดนี้เป็นเรื่องที่ ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผมเป็นคริสเตียนรุ่นหลังเพราะมาที่หลังมาก็มีวัฒนธรรมอย่างนี้แล้วถ้าคุณเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในคริสจักไหนคุณห้ามไปเทศนาที่โบสถ์อื่นโอ้นั่นก็เป็นเรื่องดีถ้ามีพูดถึงเรื่องมารยาทนะครับพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบแต่ขอพระเจ้าทรงโปดช่วยให้เราวางแผนอะไรบางอย่างได้ไหมครับที่จะให้คริสจากคริสจักเป็นตัวแทนของพระเจ้า ที่จะสงเสริมผู้รับใช้พระเจ้าให้รับใช้พระเจ้าในงานที่พระเจ้ามอบให้เขาเมื่อใจเรียกเข้ามาทํางานให้พระเจ้าถึงเวลาที่คิดจักจะต้องตื่นตัวและเปิดโอกาสให้ผู้รับใช้พระเจ้าได้ทํางานที่พระเจ้าให้เขาทําฟลิปปีขอบคุณพระเจ้าเป็นแบบอย่างที่สุดยอดและมันเป็นแบบอย่างมาตั้งแต่เริ่มต้นในพระคัมภีร์ เราคิดจากก็บอกว่าเราเชื่อฟังพระคัมภีร์แล้วเกิดอะไรขึ้นกับคิดจากของพระเจ้าในประเทศไทยร้อเปเซตเป็นอย่างนี้ดังนั้นขอยเสียงของพระเจ้าตรัสกับพวกเราในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าคิดถึงท่านข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าเมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงท่านข้าพเจ้ารู้สึกดีกับพระเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและนี่คือเสียงจากอาจารย์โปโล เขียนไปตอบสนองต่อสิ่งที่พี่น้องขึ้จากเมืองฟิลิปปีได้ทำกับเขาการมีส่วนในข่าวประเสริฐของพี่น้องเหล่านี้ยังดำเนินต่อไปถ้าเราดูนะครับในพระคภีฟิลิปปีถ้าเราย้อนกลับไปนิดหนึ่งอพิกไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับในบทที่สี่ข้อ14ี่จนถึงข้อที่19มีเนื้อความอย่างนี้ถึงกระนั้น ความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้นมาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนียไม่มีใครจักใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้น ถึงแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสซอร์นิกาพวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนมิใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของห้แต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านให้ผลกําไรในบัญชีของท่านมากขึ้นข้าพเจ้าได้รับครบและมากกว่านั้นอีกข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของจากเอปาโฟดิทัสซึ่งพวกท่านส่งไปให้เป็นกลิ่นหอม เป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัด ท, ที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากซับอันลุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พี่น้องใจรักผมเคยได้ยินพี่น้องพูดถึงฟิลิปปีบทที่สี่ข้อที่19บ่อยมากและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัด ที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจะซัพย์อันลุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์แต่ข้อความนี้ถูกเอามาใช้เพื่อสรุปสิ่งที่คิดจากเมืองฟิลิปปีรมไม่ใช่การเป็นคริเสเตียนเฉยๆข้อความนี้มาถึงเราเดี๋ยวนั้นขอพระเจ้าส่ปผัวช่วยเราเข้าใจความจริงว่าพระเจ้า วันนี้น่าจะได้เวลาสําหรับคริสตจักรในประเทศไทยที่จะดําเนินชีวิตคริสเตียนตามแบบอย่างของคริสตจักรที่เมืองฟิลิปปีแล้วถ้าจะเริ่มต้นที่คริสตจักรวัฒนาผมว่าไม่เลวนะครับเพราะว่าคริสตจักรวัฒนาเป็นคริสตจักรที่บุกเบิกสิ่งที่ดีๆมากมายหลายอย่างให้กับคริสตจักรของพระเจ้าในประเทศไทยมีแบบอย่างที่ดีๆหลายอย่างดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดนาพาทั้งหลายเพื่อว่า เมื่อใครก็ตามคิดถึงคิดจักวัฒนาเขารู้สึกขอบคุณพระเจ้าฮัเลื่อยคิดจักวัฒนาฮัเลื่อยขอบคุณพระเจ้าคิดถึงเมื่อไรขอบคุณพระเจ้าเมื่อ น, นั้นคิดถึงเมื่อไรรู้สึกดีกับพระเจ้าเมื่อ น, นั้นขอให้เป็นความตั้งใจที่เกิดขึ้นใ น, ในใจิตใจของเราเทั้งหลายไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกคิดจักวัฒนาเก่าแก่แค่ไหนก็ตามประการที่สอง พ่อย่าลืมนะปีเดือนนี้เป็นเดือนไหนรักมนุษย์เหรอรักห่วงใยมนุษย์นะครับไม่ใช่เฉพาะคิดจากสมาชิกในคิดจากทัวนั้นนะฮะประการที่2ข้อ7ถึงข้อที่8ผมตั้งหัวข้อว่ารักและห่วงใยในข้อที่7พระคัมภีร์พูดอย่างนี้การที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นเนื่องด้วยท่านทั้งหลายก็สมควรแล้วเพราะข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคน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 ที่มีต่อพี่น้องคริสเตียนโอบเป็นเป็นเป็นประยมมากมายนะครับห่วงใยมากและเป็นเรื่องแปลกอาจารย์เปโลติดคุกแต่ห่วงใยคนที่อยู่นอกคุกในปฐมฟิลิปปีมีเรื่องแปลกอย่างนี้หลายๆ ห, ห, หลายประเด็นด้วยกันและถ้าประยุกต์เข้ากับพวกเราพี่น้องที่รักทั้งหลายเพื่อข้าพีบอกกับเราอย่างชัดเจนว่าผู้ที่หรือคิดจักที่มีความรักและห่วงใยที่มีต่อพี่น้องคริสเตียน เป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนของคิดจักรที่มีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์ในพระธรรมหนึ่งโยนบทที่สก็ที่14กล่าวไว้เช่นนั้นข้าพเจ้าขออนุญาตอ่านหนึ่งโยนบทที่สก็ที่14เนื้อความเป็นอย่างนี้เราทั้งหลายรู้ว่าเราได้รอดพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้อง ผู้ใดที่ไม่รักผู้นั้นยังอยู่ในความตายผู้ใดที่เกียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็เป็นผู้พาฆ่าคนและท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่าผู้ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลยผู้ใดที่ไม่รักผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายเราทั้งหลายพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็เพราะเราลักพี่น้องของเราดัางนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราเรียนรู้ว่าคิดจักที่ลักและห่วงใยพี่น้องเป็นคิดจักที่มีชีวิตในพระคิดอย่างแท้จริงและเรื่องนี้ต้องขออนุญาตในพระคัมภีร์ได้มีคําเตือนไว้สามประการด้วยกันคืออย่าให้ความลักและความห่วงใยนั้นเป็นความลักแบบเลือกที่ลักมักที่ชัง จำได้ไหมครับในเมืองฟิลิปปีคิดจยกานี้เมืองฟิลิปปีมีสมาชิกมีความเลื่อมล้ำกันในทางสังคมเยอะอาจารย์โปโลพูดอย่างนี้ในข้อที่7ฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อเ็ดบอกว่าการที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นเนื่องด้วยท่านทั้งหลายก็สมควรแล้วเพราะว่าข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคน เพราะว่าข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคนพระคัมภีรสอนเรายัางชัดเจนถึงทุกคนความเท่าเทียมกันในชีวิตฝ่ายวิญญาณยันชัดจากการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไมกก้กางเขนไม่ว่าจะเป็นใครมีความเหลื่อมล้าต่าสูงทั้งสังคมแค่ไหนทั้งความสามารถแค่ไหนทั้งความรู้แค่ไหนทุกคนในสายพระเนตรของพระเจ้าเท่ากัน และขอพระเจ้าช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามเรื่องนี้ไปได้รักทุกคนเท่ากันยอห์นบทที่สามข้ยืนยันชัดเจนเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกเราท่องมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจนได้ประทานพระเยิสุคริสพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศทุกคนเหล่านั้นคือคนเลวทั้งนั้นเลวมากเลวน้อยทุกคนได้รับชีวิตนิรันเท่ากัน ดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้เราละมัดระวังในความรักของพระเจ้าที่จะผ่านชีวิตของเราประการที่สองที่ต้องละมัดระวังก็คืออย่าให้เป็นความรักด้วยปากและด้วยคําพูดนี้เป็นคําเตือนจากพระคัมภีร์เช่นเดียวกันในพระธรรมหนึ่งยอ์นบทที่สามข้อที่สิท่านยอห์นได้เตือนไว้เช่นนี้หนึ่งยอห์นบทที่สข้อที่สิ ลูกทั้งหลายเอย๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทาและด้วยความจริงความรักและความห่วงใยที่ควรจะมีต่อซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความจริงและการกระทาประการที่สามจากคำเตือนที่พศคัมภีร์กาหนดไว้ก็คือต้องระวัง อย่าให้เป็นความรักที่เจือปนด้วยความทรงจําที่เจ็บปวดจากอดีตแปลความว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราจําเป็นต้องรักเพราะพระคัมภีร์สั่งให้เรารักถ้าเราศึกษาพราะคัมภีร์ดีๆเราจะพบว่าได้กรอบความรักที่พระเจ้าพูดกับเราทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นอวัยวะหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ เราไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธอวัยวะส่วนอื่นเหมือนกับที่เราไม่เคยคิดจะปฏิเสธอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเราถึงแม้อวัยวะนั้นอาจจะอาจจะบาดเจ็บเราก็ยังต้องดูแลรักษาอวัยวะนั้นแต่เกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะในพระกายของประเทศเมื่อเราคิดเช่นนั้นเราเข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะในประกายของพระคิดเราก็เลยจำใจต้องหลักจำเป็นต้องหลักเพราะว่าพระเจ้าบอกให้หลักไม่ได้เกิดความรู้สึกในความเป็นจริงว่าเรากับเขาเป็นอวัยวะในกายเดียวกันพระคัมภีร์จริงจังแต่คริสเตียนเกิดอะไรขึ้นไม่ได้จริงจังเหมือนพระคัมภีร์ถ้าคุณไม่ได้จริงจังตามแนวของพระคัมภีร์คุณไม่ใช่คริสเตียน พระคัมภีร์เป็นพระคัมภีร์ของคริสเตียนดังนั้นในเดือนนี้เมื่อท่านตั้งเดือนแห่งความรักที่มีความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอพระเจ้าให้เราเข้าใจความจริงว่าพื้นฐานนั้นได้ถูกจัดไว้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบและมีมาตรฐานชัดเจนตามแบบอย่างของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ดังนั้นต้องระวังให้เรารักและห่วงใยซึ่งกันและกันโดย ไม่แค่ปากเท่านั้นโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังและโดยไม่ให้ความคมขืนและความเจ็บปวดในอดีตยังคงอยู่ในจิตใจของเราเขาอาจจะเคยโกงเราอาจจะเคยใส่ร้ายเราเพราะว่าเขาเข้าใจผิดหรืออาจจะตั้งใจใส่ร้ายแต่วันหนึ่งในที่สุดเขารู้สึกดีกับเราแล้วเราดังยังสาไม่สามารถที่จะรู้สึกดีกับเขาได้ขอให้การอภัย ในบทเรียนที่พระเยซูสอนที่ทรงมอบให้กับไปโตในวันนั้นเป็นบทเรียนสําหรับคริสตจักรเพื่อที่จะให้ความรักและความห่วงใยที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์มีต่อสมาชิกด้วยกันมีต่อพี่น้องเป็นไปตามแบบฉบับในมาตรฐานของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์รักและห่วงใยการ์ตโปโลรักและห่วงใยพี่น้องคริสเตียนที่อยู่ในเมืองฟิลิปปีจริงๆ ประการที่3อยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อ9ถึงข้อ11ผมจะตั้งหัวข้อนี้ภายใต้คำว่าจดหมายรักจะคุกก็คือรักและอธิษฐานน่าสนใจมากข้อที่9ก้ขอโทษข้อที่9บอกอย่างนี้ข้าพระเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจรารณญาณทุกอย่าง เพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์และไม่เป็นทิติได้ในวันแห่งพระเยซูคริสต์จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลของความชอบธรรมซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่พระเจ้ารักและอธิษฐานคนที่อธิษฐานด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักก็จะอธิษฐานเพื่อให้ความรัก จะเลื่ขึ้นอาจารย์เปโอลพูดอย่างนั้นนี่เป็นแม่แบบที่ดีสำหรับเราทั้งหลายที่จะอธิษฐานตามแบบของอาจารย์เปโอลข้อก้าข้าพเจ้าอาธิษฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์สุดยอดฮาเลลูยา พระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่เพียงแต่เจริญขึ้นความรักเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่สิ่งที่ต้องเจริญขึ้นคู่ไปกับความรักอีกสองประการในข้อที่เก้าข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ความรักของท่านจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างหมยความว่าให้ความรัก ที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นพร้อมกับความรู้และสติมีเหตุผลเหมาะสมไม่ใช่รักแบบภาษิาไทยโบราณเหมือนคนตาบอดไม่ใช่รักแบบไม่มีสติรักเหมือนโคนถึกไม่ใช่แต่เป็นความรักที่เพียบพร้อมด้วยความเข้าใจ ความเหมาะสมความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างความรักที่ขาดสติทำให้ไม่ยอมรับเหตุผลความรักที่ขาดสติทำให้ไม่มีความยังคิดและความรักที่ขาดสติทำให้เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราความรักที่ขาดทั้งความรู้และวิจารณญาณ นำความเสียหายมากกว่าเป็นพรความรักที่ขาดความรู้และวิจารยานนำพิษนาภัยมาสู่ตัวเองและคนรอบข้างมากกว่าที่จะนาพระพรของพระเจ้ามาสู่คนเหล่านั้นความรักที่ขาดความรู้และวิจารยานทำให้เราถูกหลอกเกิดเป็นบาดแผลและทำลายความงดงามของความรักในชีวิตของบุคคลผู้นั้น วันนี้มีพี่น้องคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่เกิดบาดแผลและไม่ไม่เข้าไม่ถึงความงามของความรักของพระเจ้าก็พราะมาจากพี่น้องคริสเตียนด้วยกันขอพระบิญญาณแห่งความรักของพระเจ้าได้ทรงโปรดรักษาพวกเรากลับใจใหม่ แล้วก็มาเป็นบุคคลที่เปี่ยมไปได้วยความรักของพระเจ้าและให้ความรักของพระเจ้าได้เจริญขึ้นความรักแบบพระเยซูคริสต์ได้เจริญขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างเพื่อการเสริมสร้างจะได้เกิดขึ้นเพื่อคิดจากของพระเจ้าจะได้เป็นคิดจากที่เมื่อใครพูดถึงใครคิดถึงเขาครอบคุณพระเจ้าสาหรับคิดจากนั้นขอเจ้าขออนุญาต ขมวดสรุปเรื่องความรักที่จเจริญขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจรญญารยานไว้ดังนี้ความรักที่จเจริญขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจาร ญ, ญานช่วยให้เราเป็นคนผ่อมสุภาพและเต็มไปด้วยวิญญาณแห่งการรับใช้เหมือนพระเยซูคริสต์พระเจ้าส่งรักโลกจนได้ให้พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็น ภาคปฏิบัติของความรักของพระเจ้าและพระองค์เสด็จมาและพระองค์ตรัสชัดเจนเลยว่าเรามาไม่ใช่เพื่อรับการปริบัติเรามาเพื่อที่จะเป็นผู้ปริบัติและในพระองค์นั้นพระคัมภีร์บรรยายว่าพระองค์ทรงสุภาพธรรมตนฟลิปปีบทที่สองถ้าเราพลิกไปอีกสักนิดหนึ่งเราก็จะพบความจริง เกี่ยวกับการบรรยายถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงจนกระทั่งถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กังเขนดังนั้นความรักที่เจริญขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจา ร, รยา์จึงทําให้บุคคลผู้นั้นทําสุภาพและเต็มไปด้วยวิญญาณแห่งการรับใช้เหมือนพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าในจุดนี้ด้วยความรัก พร้อมกับความรู้และวิจารณญาณพระองค์ยินดีที่จะลงมาเป็นผู้รับใช้ผมขออนุญาตพูดประโยคนี้เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบผู้รับใช้บางคนเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญเมื่อมาเป็นผู้รับใช้โดยอ้างถึงความรักที่ขาดความรู้และวิจารณญาณ ทำให้เขาหวังว่าเขาจะได้เป็นพระเจ้าและมีผู้รับใช้ประเภทนี้อยู่ในคิจจักและใช้สัมนวนนี้ว่าถ้าคุณให้ผมมาเป็นผู้รับใช้คุณต้องเชื่อฟังผมเหมือนเชื่อฟังพระเจ้าห้ามแตะต้องผมเหมือนไม่ได้แตะห้ามแตะต้องพระเจ้าโอ้โอ้ความรักของพระเจ้านำเรามาสู่ความทรรมใจ เพื่อมาเป็นผู้รับใช้แต่ทําไมผู้รับใช้จึงด้วยความรักของพระเจ้ามากลายเป็นคนที่อยากจะเป็นพระเจ้าในขณะที่พระเจ้ากลับมาเป็นผู้รับใช้นี่เป็นข้อความที่ผมคิดถึงตัวเองว่าขออย่าให้ผมเป็นอย่างที่ผมกําลังพูดถึงนี้ขอพระเจ้าช่วยเราความรักที่เจริญขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณช่วยให้เราเห็นสิ่งประเสริฐที่สุดของพระเจ้าอย่างชัดเจน ความรักที่เจริญขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณช่วยให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ที่สุดตามแบบอย่างของพระเจ้าเราจะไม่ตัดสินใจไ ม, นน ไ, นไม่ตัดสินคนนั้นไม่ตัดสินคนนี้ความผิดเกิดขึ้นเมื่อไรลองรับคนที่ทำผิดและให้อภัยทันทีพร้อมกับหาโอกาสที่จะพัฒนาเขาให้ก้าวออกจากความผิดปลดปล่อยเขาให้หลุดพ้นจากผลแห่งความผิด นีคือสิ่งที่พระเยซูทำกับเราเมื่อพระองค์มาถึงตัวเราเราซึ่งเป็นคนบาปพระโปรดปล่อยเราให้พ้นจากความบาปและก้าวออกจากผลการพ้นแห่งความบาปโดยที่พระองค์ทรงยอมรับผลแห่งความบาปความผิดที่เราทําบนไม้กางเขนความรักที่เจริญขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารยณจะช่วยให้เราไม่มีทิฏฐิในวันแห่งพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์พูดอย่างนี้ข้อที่11 จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยผลแห่งความชอบธรรมที่เกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อจะถวายพระเกียรติและถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าข้อที่สิเพื่อท่านทั้งหลายจะได้สังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์และไม่มีทิฏฐิในวันแห่งพระเยซูคริสต์และความรักที่จเจริญขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารญาณจะทําให้เราบริบูรณ์ด้วยผลแห่ง ความชอบธรรมของพระเจ้าและพี่น้องที่รักพัฒนาชีวิตของเราในความรักและความรักที่เจริญขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารย์จะทำให้ชีวิตของเราถวายเกียรติกับพระเจ้าพระคัมพีพูดอย่างนี้ในโรมบทที่ห้าข้อที่หความหวังใจมิได้ทาให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวัง พอเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานแก่เราแล้วดังนั้นขอพระเจ้าทรงโปรดให้ความรักของพระเจ้าที่หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เดี๋จะโลนขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างขอให้คำอธิษฐานนี้เป็นคาอธิษฐานสาหรับเราทั้งหลายในพระธรรมสองเทสโลนิกา 2, บทที่หนึ่งข้อที่11และข้อที่12พระคัมภีร์อาจารย์โป โ, โลได้อธิษฐานเพื่อคริสเตียนที่คิดจักเมืองเทซโรนิกาซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับคิดจักเมืองฟิลิปปีในมาซิโดเนียอย่างนี้สองเทซโรนิกาบทที่หนึ่งข้อที่ส1และข้อที่12เหตุฉะนั้น เราจึงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเสมอขอให้พระเจ้าของเราทรงโปรดให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การที่พระองค์ได้ทรงเรียกนั้นและทรงบันดาลด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ความตั้งใจดีทุกประการและกิจการแห่งความชื่อทุกอย่างสําเร็จเพื่อพระนามของพระเยซูเจ้าของเราจะได้รับเกียรติพระท่านทั้งหลายและท่านจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์ ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเราและแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแต่สิ่งที่เราได้ยินในเช้าวันนี้จากพระธรรมฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อ 1, ถึง 91, เป็นความตั้งใจของเราขอให้เป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ดีของเราและในคำอธิษฐานในพระธรรมเทสโลนิกานั้นเป็นคำอธิษฐานที่มีความหวังใจว่าขอให้ความตั้งใจของเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นคนของพระเจ้า ทุกทุกความตั้งใจเป็นความตั้งใจที่ดีและขอยความตั้งใจที่ดีของเราทั้งหลายทุกทุกความตั้งใจเป็นความตั้งใจที่ดีแปรลรูปเป็นกิจการแห่งความเชื่อและพระคัมภีร์ข้ อ, ขอนั้นบอกว่าด้วยกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามความตั้งใจที่ดีทุกประการที่อยู่ในชีวิตในความคิดของเราสาเร็จ ด้วยฤทธิเดชของพระบุญญาปรสริด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าดังนั้นถ้าจะให้คิดจับในประเทศไทยซึ่งถูกอะไรบางอย่างครอบงํา ม, มาตลอดระยะเวลาไม่ทราบกี่ปีก็ตามเปลี่ยนแปลงเราต้องเริ่มต้นที่นี่และอธิษฐานให้ฤทธิเดชของพระเจ้าได้ทํากิจเพื่อให้สิ่งที่เราไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ได้เป็นไปได้อย่างแท้จริงเพราะ เป็นไปได้โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าขอพระเจ้าอวายพร